การฟังธรรมก็คือการฟังเรื่องของเรานี่แหละเรื่องของเราคือมีกายมีใจเหมือนกันหมดปัญหาเกิดขึ้นที่กายที่ใจนี่เหมือนกันหมดจะแก้ปัญหาก็เชื่อที่กายที่ใจนี่เหมือนกันหมด ถ้ามีความหลงก็เกิดปัญหาเหมือนกันหมดถ้ามีความรู้ก็เกิดปัญญาเหมือนกันหมดให้เรามาเห็นตัวเองอย่าเห็นคนอื่นเห็นตรงไหนเห็นตัวเองที่มีข้อบกพร่องตรงไหนพยายามแก้ไขถ้าข้อบกพร่องไม่แก้ไขมันก็ยัง ยังเหลืออยู่ยังบกห้องต่อไปถ้าแก้ไขมันก็จบไปได้แต่จึงที่เราจะต้องแก้ไขมันก็มีอยู่มีความทุกข์อย่างเอาแล้วมีความทุกข์เป็นเบอรหนาแล้วเกิดเจ็บเจ็บตายเรามีความทุกข์ พ อ, อยจพะใจแล้วก็ต้องดอบทุกข์ที่กายที่ใจจะทำยางไงแล้วก็ต้องศึกษาไม่ยากมีพระสูตรมีคำสอนศึกษาคือขันา ท, ทุละ คานถาตุะละรู้เรื่องมีตำรับตำลามีคำสอนมีพระไตรปิฎกคำสอนในพระไตรปิฎกทั้งหมดก็มาอยู่ที่กายที่ใจเรานี่นอกจากคานถาตุละมีความรู้แล้วได้แผนที่แล้วเอามาทำ แต่ว่าวิปัสนาธุละททำให้ให้มันหมดให้มันจบกองรูยังไม่จบทำให้เป็นมันจึงจบกองรูเรื่องกายเรื่องใจไม่ใช่รูเฉยๆเอามาทำให้เป็นที่มันหลงมีอยู่จริง ความโกรธมีอยู่จริงความทุกข์มีอยู่จริงหลายอย่างที่มีความทุกข์เอามาทำมาทำให้มันเป็นมานตรงกันข้ามมืทิทีจะมองชีวิตของสัตว์โลกมีการเกิดเจ็บเจ็บตายในการหมด จึงพยายามศึกษาเรื่องนี้จนได้คําตอบแต่มองเป็นสองทางที่เลกเห็นมันเกิดต้องมีไม่เกิดเห็นมันเจอต้องมีไม่เจอเห็นมันเจ็บต้องมีไม่เจ็บเห็นมันตายต้องมีไม่ตายแน่นอนดิจิตศึกษาก็ร้อย่างกจนมาทำ เอากายเป็นตำลาเอาใจเป็นตำ ล, า, า, ำ ล, า, า, ำล า, ามีคู่เฉือนเข้าเหยอะเฉือนออกมีสติมาอ่านตำลาให้มีสติไปในกายตลอดเวลาจึงได้คำตอบตามเที่ยวาได้ยินได้ฟังและได้ทำกันอยู่เวลานี้ ตามเรื่องนี้หรือว่าวิปัสนาทุละลงลู่เราก็ลู่มาแล้วหลงไม่ถูกต้องทุกไม่ถูกต้องโกรธไม่ถูกต้องเกิดเจ็บเจบตายไม่ถูกต้องจะทำหย้างายจะมาเริ่มด้วยมีสติเห็นกายกายมันแสงออกบอกเราคือมันเป็นรูปเห็นเป็นรูปก็มีทางที่จะ ลือถอนได้เหมือนเห็นโครงสร้างเห็นบ้านเห็นสิ่งที่มันมีเห็นหน่อยช่างซ่อมรถหน่อยช่างซ่อมอะไรที่มันมีรูปให้เห็นแล้วก็มีตำราเรียนมา บางทีทุกวันนี้ก็มีคอมพิวเตอร์มีเอ็กซเลช่วยตามหลักวิทยาศาสตร์ถ้าเป็นการศึกษาก็มีภ <c oughs> าตัดก็มีทำไมจะไม่เห็นมันเกิดอยู่กับเราไอ้เรามันหลงเราก็เห็น แก้ไขหลงให้เป็นรูนกซ่องนกพื่อโถนจึงใดที่มันเป็นปาละที่มันหนักาวางออกอย่างที่เราสวดพระสูตรลาหาเวปัญจคันธากันดังห้าเป็นของหนักเดอ้อยิระกุฏหนักไหม เวทนานกหมายโกรธทุกกหมายทกุกข์า็ขันยึดไว้ขันคือมีรูปมีเวทนาไม่สัญญามีสังขารมีวิญญาณในชีวิตของคนเป็นๆ น, นี่ประยึท์อะไรถ้ายาเจ้าสลัดทิ้งของหนักลงเสียแล้วไม่ เรือของเรากรเดินขึ้นมาอีกกองเรือทั้งหมดของเจ้าเราหกเสียแล้วยอดเดือน เ, เราก็ลื่อเสียแล้วจิตของเราถึงแล้วซึ่งสอดภาพอะไรปรงแต่งไม่ได้อีกต่อไปแล้วมันลือออกเห็นโลกเห็นนามแกแกงออก การเห็นเรียกว่ายาตะประิญญาจบปริญญาชั้นหนึ่งนั้นปริญญาตรีจำนานในการรู้รู้แล้วยาตะประิญญาตีแล้วกณนปริญญาแกแกงดู เป็นรูปเป็นนามเป็นต่ปางชาติเป็นอาการแต่เห็นเป็นแต่ก่อนเป็นกายเป็นใจทุกข์ก็เป็นทุกข์ร้อนเป็นร้อนหนาวเป็นหนาวปวดเป็นปวดเจ็บเป็นเจ็บความเจ็บเป็นความเจ็บเอาไม่เห็นรูปนามเห็นเป็นนาการเห็นมันเจ็บเบาๆสักหน่อยเห็นมวนทุกข์ ไม่เป็นผู้ทุกข์เห็นมันเจ็บไม่เป็นผู้เจ็บรู้แล้วแยกแล้วเรียกว่าติลักะนะความเจ็บเป็นอาการความเหิวเป็นอาการความร้อนความหนาวเป็นอาการไม่ใช่ตัวใช่ตนแต่ก่อนมันยืดวันนี้มันไม่ยืดมันได้ปัญญาเไปแล้วปัญหาเป็นปัญญาไปแล้วไม่ยืด ว่าไม่เยืดก็วางเลื่อออกหรือว่าตีลักณะปริญญาต่อเลื่อออกได้หมดไม่มีเชิงใดจะไม่ทุกไม่ไม่มีเชิงไหนจะไม่ทุกเรียกว่าปหาน่ะเป็นยาหมดไปแล้วตายไปแล้วทุกตายไปแล้วโกฏิตายไปแล้วความเศร้าหมองอะไรหมดไปแล้วงานหมดไปหรือ ว, ว่า นิพพา น, นไม่ใช่ตายที่มันหมดไปแล้วจิตของเราถึงแล้วซึ่งสภาพเลยปงแต่งไม่ได้อีกต่อไปมันก็ไหลหมดไปแล้วจะให้โกรธอีกจใจทุกข์อีกจใจหลงอีกหลงในความเกิดเกิดอะไรขึ้นมาเกิดละเกิดช้างเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีใจเสียใจ ไม่เกิดแบบนั้นอีกแล้วไม่มีพบแบบนั้นมีแร่มชาติในรูปได้น้ำเหมือนพ่วงแพร่เพื่อขี่ข้ามภาคถ้าไม่มีรูปมีนม้ำมันก็ทำอะไรไม่ได้อาศัยรูปนามนี้เหมือนแพร่ทอไปภายไป แล้วก็ความได้ข้ามได้จากหลงเป็นรูได้จากทุกข์เป็นไม่ทุกข์ได้กลายเป็นเรือสอติเป็นหางเสือดัดไปตรงของหลงตรงกันกับพวมไม่หลงถ้าหลงมันอยู่ฝั่งหนึ่ง อ้ารู้มันอีูข้ามไปฝั่งนั่งตรงกันข้ามเหมือนเกิดกับไม่เกิดตรงกันข้ามเหมือนเจ็ไม่เจ็ตรงกันข้ามเจ็เแบบไม่เจ็บตรงกันข้ามตายไม่ตายตรงกันข้า ม, มเรียกว่ า, า, า, าทำดำทำขาวจงละทำดำเสียแล้วจเจริญทำขาว โอคาอนโนคามคาม า, า, มาวเวจยะตะตรมังจงมาถึงที่ไม่มีน้ำจากที่มีน้ำทำดำคือหลงทำขาวคือไม่หลงทำดำคือทุกข์ทำขาวคือไม่ทุกข์มันต่างกันอยู่อันหนึ่งแวกว่าอันหนึ่งขึ้นฟังเห็นมัน อันหนึ่งเป็นอยู่เป็นโศกอยู่เป็นทุกข์อยู่เรืยว่าเป็นอยู่มันก็มีอยู่ในรูปในนามนี้เรามีสิทธิเราเราไม่ช่องทางเห็นเออหมดไปมันสนุกมันก็ต่างเก่าพ้นภาวะเดิมวิปัสสนาทุละมันพ้นภาวะเก่าพ้นภาวะเดิม <c oughs> วิเศษน้ำไปู่การวิเศษวิคือวิเศษน้ำไปสู่จนหมายปลายทางอย่างวิเศษพ้นภาวะเก่าเรียกว่าวิปัชนาะแต่ก่อนอยู่ในห้องน้ำาบดนี้มาขึ้นฝั่ง โล่ก็เห็นตัวเองรู้ตัวเองอย่างนีะต้องฝึกตนสอนตนดำดำคือโอข้าห้องน้ำดำเขาคือขึ้นฝั่งเวลานี้เรามาทำเรื่องนี้ถ้าหากมีหลงอยู่ก็ต้องมีไม่หลงจงคิดแบบนี้อย่าไปจน ไม่มีปัญหาเพรอหลงก็ไม่ชอบไปอีกแล้วเอาความไม่ชอบไปเกี่ยวข้องกับความหลงเป็นอุปทานแบบหน่งสําคัญว่าไม่ดีสําคัญว่าดีไปเสร็จแล้วดีกว่าเขาเหลวขั้วเขาเราอยู่ในความหลงเสร็จแล้วให้เห็นเฉยๆปบโบเท่ากันมันหลงก็เห็นมันทุกข์ก็เห็นไม่มีค่าเนี่ย อ้าโลานี่ก็เรียกว่าทำบุญเหมือนกันบุญคือทำขาวบาปคือทำดำทำบุญเอาทำบุญเอาให้มีบุญทำบุญให้ให้คนอื่นจสดงออกอยากทำแล้วก็เดินเป็นทุกข์เป็นโทษ ทำบุญให้ส่วนที่ทําไห้เขาก็ได้บุญหลายอย่างที่เราทําบุญให้ช่วยกันอย่เบียดเลี่ยนกันเห็นไหมว่าทําบุญให้อะไรที่ไม่ถูกต้องช่วยกันให้ถูกต้องทําบุญเอาทําบุญให้ทําบุญหา บุญหานี่ฟังดูมันเป็นยังไงทุกวันนี้คนนิยมทำบุญหาเนาพ่อแม่ตายไปแล้วทำบุญหาอุทิศท้ยนั้นมันเป็น มันเป็นอนุบาลอยู่นายไม่รู้อะไรคนที่ทําบนหาก็ไม่รู้ว่าได้เลยไม่ได้หลังตอบไม่ได้อนุบาลอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ถ้าทำบนให้ก็ได้อยู่ปฐมชั้นหน่อยเห็นพ่อเห็นแม่นั่งอยู่เนี้ย ทำให้พ่อแม่เป็นสุขอย่างไงพูดไววทางวาจาจะตั้งออกทางกายจะตั้งออกทางความคิดสติปัญญาให้แม่ให้พ่อได้ยินได้เห็นได้สัมผัสถ้าใครยังมีพ่อมีแม่อยู่ทำไรทา ให้พ่อแม่อิ่มใจสุขใจเต็มใจไม่หิวความดีของลูกอิ่มใจก็สุขใจอิ่มใจเต็มใจก็เป็นบุญสบายใจอุทิศให้ได้เ น, นี่ยไม่ใช่ตายแล้วจึงให้ทำบุญให้อ น, น่ไม่ใช่ทำบุญหา เวลาเนี้พ่อแม่เราก็ไม่มีเราทําบุญให้อยู่ตัวเราเป็นตัวแทนพ่อแม่พ่อแม่ทําบุญทุกเวลาเพราะเราได้คิดมาจากพ่อจากแม่นี่ก็ทําบุญให้ตลอดเวลาไม่จบไม่ขิ้นนั่นทําบุญหาเป็นข้างเป็ดข่าวและทำบุญเอาเนี่ย <c oughs> มันก็จบในวนแล้วข้ามผังเลยแล้วไม่ทุกข์อีกแล้วไม่ต้องช่วยก็ได้แล้วช่วยตัวเองได้แล้วได้ว่ามีแล้วทำได้แล้วถ้าเราทำได้แล้วงน่ก็ถ้ามาดูก็ก็ หรือว่าพ่อแม่เท่าเราก็เนิดเกิดขึ้นมามีชีวิตเราทำเรื่องนี้ให้ให้ชีวิตที่เกิดมาจากพ่อแม่สำเร็จแล้วก็แล้ว่าไม่เสียค่าน้ำนมไม่เสียค่าเลี้ยงแรงพ่อแม่พ่อแม่อาจจะทำไม่ได้แต่ลูกชายลูกสาวของพ่อของแม่ทำได้แล้ว ก็สุดยอดเอื้อนพระพุทธเจ้าตัดชะโลปเป็นพระพุทธเจ้ามองอยู่ต้นสีมหาโพมีความสำเร็ จ, จาชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์จุบแล้ว อ, อยู่ททยชิดทั้งสี่ข้างอาทิตย์เกดวันทิศต้นดอกทิศ ได้ทิศตะวันตกทิศเหนือเรียนอยู่ที่นั่นวงางก็ต้องภูมจอยเตาทำเชิงใดได้ที่เป็นทิ่งที่ถูกต้องก็ภูมจอยไม่ว่าจะเป็นอะไรเรียนจบมาผูมจอยรับปัญญาก็ภูมจอยในความรู้ก็ภูมจอยทำงานทําการได้มองทะลุตะลวงเชิงต่างๆได้ ไม่อาชีพได้นั่นใจไม่ยากไม่จนหางเงินหาทออาชีพคพามลูกของเราได้ก็ก็ก็ก็สะดวกอา่าไม่มีอาชีพไม่มีความรู้ทำนาทำไรเอาชีวิตไปห้อยไปแขียนกับธรรมชาติเอาไร่ชาวนาเวลานี้มันแล้งไม่มลฝนตก ที่ไร่ที่นา ย, ยังดินยังแตกและแหงกันอยู่ทำอะไรไม่ได้แต่ผู้มีปัญญาก็ทำอะไรได้บ้างแต่ไม่คนกระทษเหมือนกันเรายากมากแผงอาศัยกาน <c oughs> ชีวิตของเราส่วนที่เป็นชีวิตส่วนหนึ่ง ที่เป็นบุญเนี่มันไม่เกี่ยวกับอาหารการกินมันเป็นเรื่องของวิญญาณอาหารกายอาหารใจถ้าถึงแล้วไม่มีเจ็บไม่เจ็บไ ม, ม่ตายอาหารกายที่มีสติปัญญาหางเงินนาทองก็ไม่ใช่ของของเราย่อมลราทิ้งไหนถึงทั้งปวงไป ถ้าจะมีการเกี่ยวข้องเอาเราก็ส่งถึงเชิงตะกอนเท่านั้นเองอะไรก็ทิ้งไว้ปัดเปลี่ยนกันใช้ในช่วงหลงตานี่ก็ยังเห็นอยู่แล้วจากน้ำพักน้ำแร ง, ขงเขาหล่ที่ทำมา สร้างสร้างตัวสร้างบ้านสร้างเรือนสร้างอะไรอะไรหรือว่าของเราอาเราบ้านเราลูกเราเมียเราพ่อแม่เรามันก็ไม่มีเลยเดี๋ยวเนี้บ้านเราที่เราทําเป็นบ้านคนอื่นแต่ก่อนก็แม่อยู่ แม่ก็เสียไปน้องสาวอยู่น้องสาวก็ได้สามีสามีเขาก็มีลูกเดี๋ยวนี้ลูกของเขาเป็นเจ้าของน้องสาวไม่เป็นเจ้าของลูกเขยเป็นเจ้าของดองไม่กล้าไปแล้ว <laughs> ไม่กล้าไปบ้านแล้ว แต่ก่อนแม่ยังนั่งอยู่บ้านไปไหนเดินไปไหนห้องนอนที่เคยอยู่ไปได้เออนี่ไปไม่ได้ก็หลานหลานเข ย, เขยไม่ใช่ญาติเราหลานเขยนี่ขอไม่ได้นะตามวินัยนะภิกษุ ข, ขอโ<อ>ยมมิถบาทแกญาติพอได้อยู่ภิกษุใช่ญาติ นดอยอะแต่ไม่ใช่ญาติใช่ไม่ได้ให้ซักก็ดีให้ย่อมก็ดีถ้าญาติใช่ได้นับจากพ่อพี่ของพ่อพี่ของพ่ อ, พ อ, พอเจ็ดชั่วคนนี่เป็นญาติใช่ไหมอาจารย์สบันนับจากน้องพ่อลองไปน้องพ่อลอ้องไปรองเจ็ดชั่วคนนี่เรียกว่าญาติพี่ของแม่พี่ของแม่เจ็ดชั่วคนเรียกว่าญาติ น้องของแม่น้องของแม่จดชั่วคนเรียกว่าญาติขอได้ตามตำแหนนัยภิกษุขอของจากน้องเขยเป็นนาบัตอะไรเป็นนาบัตขอของจากน้องสะใภ้เป็นนาบัตไม่ใช่ญาติ <c oughs> บ้านที่เราทําแบงเป็นของหลานเขยเรื่องหลานเขยไม่ใช่ญาติถ้าหลานสาวของเขาลูกเขานะ่ะ อาจจะใช่ญาติไม่หลานชายก็จนญาติแต่หลานเขยหลานไผ่ไม่เป็นญาตินี่คือของจริงไปอย่างนี้มันทำบนอะไรมันเป็นอะไรที่เป็นของคนอื่นส่วนนี้ไม่เป็นขอ ง, องเราแท้ๆไปฉลาิติดรำรมายต่ะหลง ให้รู้เป็นทรัพย์ของเราแล้วคของลูกความหลงเป็นเป็นบาปก็ได้ความทุกข์เป็นทรัพย์ของอกุศลอกุศลความลูกความไม่ทุกข์เป็นกุศลทำเอาทำเอาเก็บเอาเจ็บเอาเจ็บเอายอะจะทิ้งซะมีไหมมันหลงไมีไหมมันโกรธมีไหมแล้วมันก็มาทิ้งไปเอาความไม่โกรธ นี่อันถูกต้องที่สุดเวลานี้เรามาทำเรื่องนี้กันเป็นกอบเป็นกรรมจริงๆถ้ามีมากก็ถึงไม่เจ็บไม่เจ็บ ไ, ไม่ตายได้ทรัพย์อริยทรัพย์ไม่มีใครช่วยเราได้นอกจากเราทำ เ, เองแบงบันไม่ได้ไม่ใช่ถ่ายทอด เป็นส่วนตัวที่ทำเอาก็าไม่ทำก็ไม่ได้แล้วก็มีสิทธิมีสิทธิประเทศไทยคนไทยศาสนาพุทธวัดวาอารามพระสงฆ์แบบพุทธเจ้าจ๋าในเมืองไทยก็ยังมีอยู่ม ศาสนามีเจนาสนามีอาหารจปปะยะบุคคลจปปะยะมีผู้อยู่มีผู้บอกมีผู้สอนเจนาสนาจัปปะยะมีที่อาศัยขอสมควรธรรมจปปะยะมีธรรมอยู่บอกกันอยู่นี้ทำเอา เอากายมาสร้างเอ า, เอาใจมาสร้างเอามาต่อเอาเอากายไปต่อเอาความรู้เอาใจไปต่ออความรู้ให้มันได้อาหารให้มันได้ทรัพย์มากมากนับจากหนึ่งลูกสองลูกนะี่ยมีเสลึงเึ่งรบจบให้ครบบาท ขอไปเงินล่อเงินเหมือนเกิดจากเงินบาทไม่เช่มันจะเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นอย่างนี้บางทีก็หนึ่งเดือนแล้วไม่รู้อลไรสองเดือนไม่รู้อลไรสามเดือนไม่รู้อลไรอย่าไปประเมินแบบนั้นเมื่อแต่เอาตรงนี้อย่าเป็นนับ มันรู้ไม่มีเาอาอนาคตก็ไม่มีอดีตก็ไม่มีมีแต่ปัจจุบันเป็นของเราปัจจุบันเคยชีวิตจริงสัมผัสได้เปลี่ยนหลงเป็นรู้ได้เปลี่ยนทุกไม่ทุกได้ไหนเดี๋ยวนี้ขณะ น, นี้ปัจจุปนนันจะโยทธรมมังตทะทต ะ, ะ, ะ, ะวิปัจจติอาจังเฮลังอาจางย์โกปังตังเวทามนุพลเฮเกเคยสวดบ่ ไอ้ชีเคยสวนดไหมโอ <laughs> ้ได้เห็น <laughs> ปัจจุบันเกิดขึ้นจะพนหน้าในที่ด้านหน้าไม่เขียมแข็งอย่าหลงปัจจุบันปัจจุบันต้องเป็นความไม่หลงต้องเป็นความไม่ทุกหนึ่งบาทนับไปเลยหนึ่งบาทนับไปเลยเวลาไหนเราเวลาไหนก็มีปัจจุบันทอนประโยชน ประเทศไหนโลกไหนก็มีเดี๋ยวนี้พรุ่งนี้ไม่มีเมื่อหวานก็ไม่มีนี่แต่เราสัมผัสไม่ได้พรุ่งนี้มีแต่สัมผัสไม่ได้ทําอะไรก็ไม่ได้เมื่อหวานมีแต่ว่าทําอะไรไม่ได้เราทําได้เดียเดเด๋ยวนี้ยเราทําได้แต่เนี้ยไม่หลงเดี๋ยวเนี้ยเอาแล้วตั้งต้นจากเนี้ยเท่านี้ก็พออย่าให้มากกว่านี้ ถ้าไม่หลงต่อไปไม่หลงไม่หลงไม่หลงก็ก็จะเป็นไปเองเอยียงไปไหลไปสูม่มรรคส่โหนเหมือนน้ำจากลาบะเทาป่ามหาวันต้นลปบะเทาที่พวกเราหากันหลูรักษาว้อยู่ ไ, ไหลไปไหลไปไหลไปไหลไปตกมาหน้ามีม่หน้ามี แม่น้ำมูลแม่น้ำพองพอพองขีมูลมูลก็ตกแม่น้ำโขงแม่น้ำโขงตกทะเลกีนตอนไม่ลงไปทางเทียบนะทางเนี้ยอีสานเนี่ย ก็ แ, แบ่งโซนอิสานน้ำไหลมาทางนี้ไม่โดดหน้าผาธรรมชาติมันสร้างมาไปแล้วอิสานนับตั้งแต่ประเทศเราตอนเหนือถ้าต่ำไปทางปากเซไปต้องรอไปถึง 4 0 0พโลนประเทศลาวสี่พันลนก็ต่ำไปเขมแล้วต่าแล้วแม่ของตกเลยสูงเป็นหลายรยเมตรนะนาของตกเรียกว่าสี่พันโลนเท่านั้นต่ำแล้วมันสูงผุนเทียวของเรามานี่าทางอิสานมาทางนี้าต่ำไปทางผูประเทศไทยทาง เขาไปหว า, านเขาไปหวานน่ะก็น่าจะเป็นของไทย <c oughs> ทําไมจะเป็นของแคมนถามอาจารย์สัมผัสตั <c oughs> วโอ้เหมือนที่ลอบสูงเนะแต่แคลเมนมาอยู่แถวเขาพิวานก็กําลังขัดแจ้งกระโจนน่าเป็นของไทยตามโซนเอยียงไปเอียงไปอเนียไปแถว โก้เขานะเทบสถิตปากช่องอากินบริเฮ็ดบุรีหลงแล้วต่ำไปทางตาพะยาต่ำไปแล้วายลำน่าลายท่างต่ำแล้วยไปทางปากช่องลองไปทับกวาง สีแข่งคอยตามมาไปแล้วน้ําที่นี่ไม่ไหลไปทางนั้นไหลกลับมาไหลขึ้นเหนือน้าอ้วยก็ไหลขึ้นทางเหนือตกแน้าของไหไนะตกของที่น้ำไปท่วงเทไม่ใช่ที่นี่นะอย่ามาตำหนิที่นี่นะอัน <laughs> นี่ไม่ไหลไป น, นู่นอันเมื่อไหลไปทางนี้ต่งางชาติเหมือนหน้าผาเนี่ย ทำไมมันไหลตกไปหน้าผาเนี่ยมันไปโน่นไปโน้น น, น, น้ามันทำไมเก่อจากภูเขาลูกเรี่ ย, ยมันก็ทํำไม ย, ยังไหลไปทางนี้มันเอียงไว้เอียงไว้งวถ้าตกไปทางนี้จิบของาะไรแล้วภูเขาลูกเนี่ยมันยังค่อยลาดลาดไปใช้ใจพวงนังเนี่ยไม่มีน้าตกทางหน้าผาทาง น, นี้ก็มีไหลไปทางเดียวผู้เจริญฉดิเอียงไปไหลไปโสมกโสผพน มีจริงจริงบาปไม่จริงบุญไม่จริงนักปฎิพันธ์ไม่จริงเริ่มจากจิตใจของเราเนี่ยจากรู้เนี่ยข้าแรกถ้ามีข้าแรกก็ไปถึง มันก็มีทะเลขี้พึ่งไปทางเนียเวลาฝนตกปังแข่งเวลาแดดออกมาเสื่อมั้งเขาหลงก็หลงั้งเขาลู่ก็โลู่ย้าให้หลงเป็นหลงใหญ่ลู่เป็นลู่ลุยทะเลขี้พึ่งกันไปเจอควงม่งเหงาหานอนทะเลขี้พึ่งสู่ซะง่อย แต่ไม่ได้สู้แบบทุกข์สนุกสนุกหลงเรียนหลงเป็นรูนี่อยอดเยี่ยมที่สุดเลยไม่ใช่ทุกข์แบบอะไรนะอันทุกข์ที่ที่ที่สร้างให้เป็นไม่ทุกข์เนี่ยไม่ใช่โทรมานมันเป็นเป็นทางนั้นบอก ถ้ามีทุกข์มันก็บอกว่าไม่ทุกข์ก็มีไม่ใช่ ท, ทรมานแต่และาโอทุกข์เป็นเรื่องทรมานใจเป็นยืดมั่นถือมั่นไปซะไม่ใช่เรื่อทรมา น, เ ป, น, เ, มานเป็นเรื่องที่กระตือรือร้ น, นทุกข์หลงโกรธโลภเป็นเรื่องที่กระตือรือร้น มาเช็เรื่องที่ยอมแพ้แต่คนยอมแพ้ปรารชัยพ่ายแพ้ปรารชัยพ่ายแพ้เรื่องนี้ไม่เป็นถึงมรรคถึงผลในชาตินี้ถ้าพ่ายแพ้ทุกเป็นทุกโกรธเป็นโกรธหลงเป็นหลงโลภเป็นโลภเป็นป่ารชัยไม่ไม่มีสิทธิ์ที่จะถึงมรรคถึงผลกับเขาเหมือนวัวใต้น้ำ คนประเภทนี้เรียกว่าปรลาชัตุเรียกว่าเรียกว่านือเยืะอปัทภป ร, ะะประมะหนาหมันหลงก็ยังจะโง่อยู่แทนที่ฉลาดเฉอยอยู่ได้ไม่เปลี่ยนหลงเป็นโลซา ไม่อายตัวเองโต๊ะเจ้าอหิริตัวนี้อายตัวเองหน้าหลงหลงยิ้มนะคนที่คนที่เห็นหลงเห็นเห็นโกรธก็ยิ้มนะไม่ใช่หน้าบึง้งหน้าเบึ้งเนี่ยแพ้แพ้แล้วเคยเคยหน้าบึ้งไหมในชีว่าโกรธอ่ะเคยเห็นตัวเองไหม ไปส่องกระจกดูนะน่าดูไหมเออคนสวยๆเนี่ก็ไม่น่าดูแ้่เห็นคนสวยกัวหลบดิไม่อยดถ้าเห็นคนสวยยิ้มเนาะชวนด้วยอันนีมาจากนแล้วไม่เอาเลืนี้กันเหรอเรกว่าปึกหนาสาโหดบุกุชน โกเป็นโกรธเป็นปุถุชนเห็นมันโกรธเป็นมนุษย์ไม่เป็นผู้โกรธเป็นพระเนี่ยมันพบชาติอยู่ตรงนี้นะเป็นผู้โกรธเป็นปุถุชนเป็นผู้ทุกข์เป็นปุถุชนแต่ใครยังยังเป็นผู้ทุกข์เป็นผู้โกรธเป็นผู้โลภผู้หลงอยู่ปุถุชน ถ้าเห็นมันหลงเห็นมันโกรธเห็นมันทุกข์ปเป็นมนุษย์สูงกันไม่เป็นผู้โกรธไม่เป็นอะไรเป็นพระพระเจ้าตรัสรู้ทุกข์ออกวางพ้นแล้วทุกข์เห็นทุกข์ออกจากทุกข์พ้นจากทุกข์สามลักษณะ เห็นทุกข์มันยังพ้นจากทุกข์เห็นเห็นทุกข์เห็นทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์พ้นจากทุกข์เร่องปัจจัยการสามไม่ได้ส์สทุกข์เห็นเหตุได้เกิดทุกข์พ้นทุกข์ ปัจจัยสามแต่และอย่างทุกข์ก็มีสามสมุทัยก็มีสามมรรคก็มีสามจิ้งถึงนิโรธเป็นสามเลยเป็นธรรมจักรสิบสองขี้เป็นจักรธรรมหมุนไปส2บสองขี้แล้าธรรมจักรหมุนไปตรงไหนเหยียบย่ำทุกข์ สมมุดบันหยัดวัตถุอาการต่างแหลกไปเลยเหมือนทิกเตอร์ <c oughs> เหมือนใบมีดท็กเตอร์ลถไปทางไหนก็เลี้ยวไปตอนที่เดินตามก็ง่ายเช่นทางขึ้นเขาก็ท็กเตอร์ <c oughs> ออไปเหมือนกับ ทรรมะจับเหยียบไปลาบเหยียบใจของคนแต่ก่อนไปขึ้นอยู่เนี่ยกลมลายกลมดีผูผู้แพร่แธรรมะจักเกิดขึ้ น, นกับจิตใจลราเหยียบย่อมไปลาบเหมือนกันหมดอันเดียวกันหมดยอแผ่นดินลาบเหมือนหน้ากองทรายสอดสามภา ษ, ษีไอเม็ดไตก็เกิดขึ้นมา ใจของคนชีวิตของมันเหมือนกันหมดเรียกว่าอาเดียแม่ตายนีอยู่ในแผ่นดินนี้ไม่ใช่ภูเขาไม่ใช่แผ่นดินจะลาบหลายคนอ่ะมันทำมาจากหมุนปอยอยู่ในชีวิตของใครวมหลงหมุนไปสุขวิมัหลงมนจกักอย่างหนึ่งเหิดทุกข์าเป็นผู้ทุกข์ ยองเป็นคืนเป็นดินไม่ลาบถ้าเป็นผู้ทุกข์เป็นผู้โกรธก็ทุกข์เห็นเหมือนทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์นอนนะ <c oughs> ลาบลงไปแ ล, ล้วจิตที่เป็นเป็นนี้ถ้ทุกข์ถ้าสุขมันไม่ลาบ เห็นนานไม่เป็นเห็ น, นทุกข์ไม่เป็นทุกข์พจาทุกข์อรอบหลงกับรงลงงงาบงร อ, งอบหลงร อ, งอบหลงร อ, งอบเน้นทาเสนอเฉินแต่ก่อนเน้นทาใช่ไหมเสนอเฉิน นี่ด <revenge> <N hte> ีใจเสียใจไม่ใช่ลาบแล้วธรรมจักอย่าไปจ้ะอรเดี๋วน้โอ้เขาสิดาทางทึบไมาจะเตอนเพราะลมฉันนายบัณฑิตผู้ฝึกขนตนดีแล้วมาจะเตอนเพราะเนินทาฉันเสริญฉันนั่นเอวังก็มีรูปประการจ้ะเนี่ยาพะพร้อมกัน